Thank you. แต่ว่าเป็นช่วงสมัยต้นๆ น, น, นะของพระพุทธเจ้าหมายถึงพรรษาแรกๆมีคราวหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนพระสาวกนะสามรูปที่เลียกยเล่นไปปฏิบัติอยู่ในป่าพระองค์ก็เสด็จไปพูดเดียวนะคือตอนนั้นก็คงจะยังไม่มีพระปัตชาสมณะทั้งสามรูป ที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมก็ได้แก่พระอนุรุทธะพระนันทิยะพระกิมพิละซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพริยบุคคลแต่ภายหลังทั้งสามท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลทั้งสมท่านตอนนั้นทั้งสามท่านก็ยังทําความเพียรอยู่เพราะก็ะจะเพิ่งบวชมาใหม่ๆ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 เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาหรือในตาที่เปลี่ยนด้วยความรักหรือเปล่าทั้งสามท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพร้อมเพรียงกันมีท่านหนึ่งก็ตอบว่าข้าพรงใได้พิจารณาว่าพึงเก็บจิตของตนเอาไว้แล้วประพฤติตามจิตของ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 ทั้งสามท่านก็ตอบว่ามีความเพียรมีความตั้งใจในการปฏิบัติดีและสุดท้ายพระองค์จึงถามว่าบรรลุคุณวิเศษบ้างหรื อ, อยังน่าสนใจนที่พระองค์ถามเป็นลาดับนะแทนที่พระองค์จะถามว่าปฏิบัติสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามแรกพนะระองค์ก็จะถามเรื่องของความเป็นอยู่ก่อน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 พอคนเราเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งแวลงดล้อมโดย น, นี้พระเจ้าจึางตัดนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้ว่าเนี่ยกรยารมิต์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะพระอานนท์ทีแรกก็ตอบว่ากาณมิตรเนี่ยเป็นคลื่นของพรหมจรรย์แต่พระเจ้าตัดว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นนะอานนท์การยนต์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะอันนี้ก็หมายความว่าการปฏิบัตินะ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 ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโกนแรกนะของอพรรษานี้เนี่ยก็หลายปีที่ผ่านมาพอถึงวันโกนเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันพระทั้งวัดรวมทั้งแม่ชีรวงทั้งนักปฏิบัติก็มาทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะกิจเหล่านี้เนี่ยนะมันมีความสำคัญ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 ไปร่วมกลุ่มนี้ถ้าทางก็จะไม่ค่อยอ่มีความมีสัมมาคารวะเท่าไหร่นะก็มีคนนึงก็พูดกับหลวงพ่อชาซึ่งอ่าอยู่ใกล้ๆว่าเนี่ยทําไมพาพระมาทํางานนะไม่พาพระไปนั่งสมาธิน ะ, ะมีการทักท้วงหลวงพ่อชานะก็พูดจาก็ไม่กรสุภาพหลวงพ่อชานั้นก็ตอบว่านั่งนานขี้ไม่ออกว่ะ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 ใจก็นึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเข้ากุติเมื่อไหร่จะเข้ากุติตนะฉันอยากจะอยู่ในกุติตะนะฉันอยากจะเจอความสงบเนี่ยต้องเห็นนะเห็นอาการเหล่านี้นะไม่ใช่ปล่อยให้มันบน่นโวยวายติโพยตพาแล้วเกิดโทสะอันนี้เรียกว่าสอบตกเนี่ขณะที่เจอสิ่งที่เสียแทนหรือว่าภาษาที่อยากกร้านนะมันก็กลับมาดูใจนะใจที่มีโทสะนะใจที่เร่งร้าอยากจะให้เสร็จเร็วๆ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 ทุกคนเราทุกคนไม่ต้องเจอนะพายุอารมณ์เจอสงครามชีวิตในวันข้างหน้ามันมีคำอสํานวนว่าหรือภาษิตว่ายามสงบเราฝึกยามสึกเราลบยามสงบเราฝึกนะตอนนี้ถ้าเราสบายมีกำลังวังชาดีนะก็ต้องฝึกนะฝึกกับความยากลำบากนะพอเรารู้จักทาจิตทาใจว่าลาบากยังไงใจเป็นปกติ